ไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยวางมันคือว่าตายเราตายเขาแบบสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้มันจะมีความหมายไปต่างๆนานาแต่การพิจารณาใจยพึงควรพิจารณาแยบถ่ายในจิตอย่าพากันหลับการนอนจนเกินเขตเกินเวลา ให้ตั้งนาตั้งตาที่เจรนาและต่อทพื่อปฏิบัติเพื่อจิตใจข้องตนจะรู้เห็นเป็นจริงตามคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าแลวจะเชื่อจะเลื่อมใสว่าความสุขความสบายข้องใจเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราโดยไม่มีใครมาบังคับบัญชาบอกให้เชื่อ ก็เชื่อเพราะความเห็นความเชนมันฝส่จากชัดเชิเจนอยู่ในตัวถ้าไม่อย่างนั้นพอจะเกิดสงสัยลังเลใจเรื่อยไปไปอยู่สถานที่นั้นบัดดีบัดไปเจอคนนั้นแต่เจริญอรหัตอรรรหันต์ อ, อยู่ที่นั้นและที่นั้นนักปฏิบัติทันดีเด่นทุกท่านทุกองค์แต่เราเองไปตัดสินปฏิบัติพอปฏิบัติอย่างเก่าของเรา คือไม่เอาทานให้ไปอยู่ที่ไหนก็อยากจะให้จิตมันดีวิเศษขึ้นเองแต่ควางภาคความเพียรปติปัญญากาสรสร้างที่เด่นตัญหาในมีจะไปสถานที่ใดดีขนาดไหนมันก่ตัวของเราคนเก็บพอเราเวท่อพลึกปฏิบัติถ้างาเราไปต่อพลึกปฏิบัติในสถานที่ททนั้นสงบสงัดสถานที่นั้นยินฟ้าอากาศอํานวยร่างกาย ก็ไปป่วยไข้ตั้งใจต่อพืชปฏิบัติไม่ว่าสถานที่ใดย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสบายได้อย่าไปถือว่าสถานที่นั้นมันดีเราไปแล้วมันจะดีถ้าหากเราไม่ตะอพืชปฏิบัติทัวรมันก็ไม่ดีฮะให้ตั้งใจต่อพืชปฏิบัติเพราะวัดของเราสถานที่นี้ควา ม, มสงบสงัดกอพอเป็นไปยินฟ้าอาจาร ก็ไม่หย่ยจะหนักหน่วงเท่าไรการทํำความผาดคามเพี่ยนไม่ว่ากลางวันกลางคืนพอทําได้ถนนถนนทา ง, ทางยองลมลมมีมีลุมมีบอมีหลักมีตอ่อจะเดินเท่าไรก็ได้ลมเงากลางวันต ก, ก็อาศัยแล้วมันขัดข้องอะไรที่จิตใจใไม่เต็มใจมันขัดข้องเพราะการเราไมทําหรือมันขัดข้องจากอะไร หมั่นพิจารณาตรวจตามจิตใจของตนเมื่อเห็นความผาดข้องความเสียหายด้านไหนจิตใจจึงไม่เป็นไปเสกศีลเสื่อมสมาธิเสื่อบัญญาเสื่อวิชาริมุต์ก็ให้แก้ไขปมดอดส่วนนั้นเร่นความผ่าความเทียนเล่นความจิตทวามใจของตนให้ยี่เด่นขึ้นเราทําขนาดนี้ยังไม่เพียงพอต่อทำ สุขความสบายยังไม่เพียงพอต่อที่เด็ดตันหาที่เด็ตันหาจนเจ้าเข้าใจของเราเราจะทำมากกว่านี้เพิ่มเข้าไปเหมือนกันกับ <c oughs> เรารับทานี้เราดื่มเร า, าดึงขณะนี้ยังไม่อิ่เราจะดื่มมากเข้าไปความอินจะปรากฏขึ้นมีการเพื่ปฏิบัติด้านจิตใจก็ททานองเดียวกัน เห็อะไรถึงความขาดความเพียรเท่าอย่าไปคิดว่าความเพียรมันจะฝ่าเกินไปมันจะมากเกินไปอย่าไปล้มสายโลกอันนี้ไม่มีอะไรทีหนาล้มสายมีแต่เกิดแต่ตายอยู่ยางนีวุ่นวายคัดคล้องก็อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรดีวิเศษคนติดจิตคล้องคนที่ชื่นช่อมหรือว่าดีวิเศษก็คือคนหลง คนที่ในหลงคนรู้ท่านในยอมอยู่เกิดตายต่อไปเพราะตัณห์เห็นเชิงของที่เหลืตัณหามาณทีิษฐ์เขาไม่อยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะมีความเย็นกเย็นเป็นสุขสำหรับการเกิดการตายในโลกเป็นอยู่อย่างที่อดีตเราจะไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างมีเกิด ม, ม, มีตาย มีสุขมีทุกข์มีเหมือนมีสว่างมันเพียงเฉ่นนี้เราจะตายเกิดตายเกิดไปอีกสี่ผลสีพุที่ชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้จะมีอะไรต้องใส่แต่เราไ่ทาเวลานี้เราไปทําฉากินี้ภบนี้จะไปทาํปทาฉากไหนภพไหนโอวาทำทำสั่งสอนของพระเจ้าสอนไว้ท่านกบอกว่าเป็นศาสตาแนทนพระโอษฐ์เมื่อไปฟังโอวาทำทำสั่งสอนหรือศึกษาทํา อกวักของท่านเรายังไม่เชื่อไม่มยอมสยังไม่ตั้งใจปฏิบัติจะไปฟังต่อพระโอวคของท่านก็เหมือนกันเราไม่ทำเรากดจะไม่เห็นียวเราต้องทำจากตัวของเราเองท่ากันที่นิทเจรานาะและแนสอนตัวเพราะการมาประเพื่ปฏิบัติเป็นโชคดีของพวกเรา คนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนคือต่อดุลหลงอยู่ในโลกมากมายหลายหลวงเรามีโชคดีมีโอกาสได้มาบวชเป็นชาตเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติเดีวรีบเร่งวนไข้ายมีที่เจรณาตั้งศรัทธาความเชื่อให้มั่นเข้าตั้งศีลวิริยะความเพียรให้นักเข้าสติอย่าทรงอย่าปล่อยในสถานที่อื่นเจรณา อ ย, ย่างกายอย่าใจของตนสมาธิความหนักแน่นของใจจะเกิดขึ้นปัญญาความรู้ในสิ่นทั่วไปจะปารากฏขึ้นวีมุดความหลุดออกไปจากโลกจากสงสารจากสมุดทั่วไปเป็นอย่างไรจะไปท้าใจของตนยาลีมุติญาลักษณะเนะมื่อจิตหลุดพ้นแล้วความญาณความรู้ว่าจิตหลุดพ้น จะไปทับขึ้นเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยในการตรวปฏิบัติทำขอพระพุทธเจ้จาแต่นั่นจึงขออราชนะทุกท่านหมั่นทิ้งพิจารณาตรวจตาและและสะนำตนเองแล้วตังหน้าตังางตาของิปฏิบัติให้ดีวิเศษขึ้นในอวสารการอธิบายธรรมานี้ <c oughs> ขอคุณาาและสีรัชนะใจจง กุ kho ang, kho ang, ục, ้มควางฟองปกนักปฏิบัต <c ười> ิให้ช้ากันเจริญในคำวินัยและเต็นไปเสียวิมุตติวยกันทุกส่วนหน้าเลยเียวมคุ้มเนี่ยคนี่นียนดีในตั้มแตคิดได้พิจารณาได้ไม่ขอมาให้ค็ไม่ใจจะบอกสอคนอื่นอต่คนนี้ไม่ข้างหยือเปไ ฉันสิ้นชีพต้องใช้ข้าวโอ่งเองโอ้ยอย่างนั้นแย่มากโดนใจอร่าจนาแต่มีเวทนาด้วยแย่มากโซ่เส้นร้ายเนี่ยร้ายวุ่นเถ่าคนเล่าฐานิทุกแยเแน่นสอนคนอย่างนี้สุดที่ไปย่าุยย่าพวกหลุดไปเรื่องพวกนี้เยอะไปย่า นกัวต e ิดฝนหนาม t ดี่ยวก็แค่สุดแสงไฟที่แต่เยี่ยมนหมถึงวีจิัญญาเดี๋ยวแล้เี่ยวแต่ว่ามีลูกคนผู้ใดไปไนเน้เ่สอนาททางนี้ีเหพราะว่ามุ้งใจ่าที่จะไรนนะาอมอสุดราพกบริษัทแล้วเมตา <ME> ข้อ er รักไข่ลาชนะใหญ่ักส่วไปมีวามฟุกมารุนาหน้าข้างแกะไข่ในักนน้นคนจากฟุกเด็ของพ่อมืมีหานมือมืาคุไ้สดชื่ิเศษฐันั่ใดคนไปจากฟุกกระพี้นิ้วน้ำ เดือดชาบ้ได้บ้าบ้ได้สอนบ่ได้ควายโบ้ได้ตามทีเด้อมั้งเยอะไงหัวเสียหัวเีย่องะผมเดือนย่างออนจัดเข้านี่คือไสเจ่าวันนี้ไม่าวเขาไปยังนีวนวัดเลยนะทำๆสอนอยู่ไส้เจ้าไปยังอยู่ แต่ว่าเราฝนยืนข้ามเสียแล้วข้ามมีหน้าที่แล้วอี่ามันยัดไส้เนี่ยเป็นกระดาษแกระดาษเกี่ยวฟางข้ามตามนี่มัฝนยู่กันกันเขาพต้องก่อ้อนอยู่แต่วแต่เดี๋นี้เดี๋ยวฟางเหรออย่างว่าพูดถึงที่จ้หน้าเขาไปตลอดใจเจ้ของ เหนนะการดำยางยินเน่นะการดำยงน่ะเอาเนยเราไปแ่มน่อยต้งูนี่เราิตวางแล้วเป็นเหนื่อยเนือยแต่ยังับไฟสั่งนิดองีทับ่็ยาาุนนไหวบริเวณาะวาลตาางใจของเา ว่า c ด้ว่าเห็นอะไรว่ามันจุกยิ่งพอเป็นมนุษย์จุกน t ่งกินนั่งขี่เข้าไปแต่กักขัธรรมดาอยู่แล้วนั่งี่อะไรเสพเสพที่เสพกักัดไิตใจไหมว่ดีว่เล่นอิหนังนั้นพอบางอย่ักขัดกักขัดไปินกิี่เขาจะปวจะเจื่อนน่งยียดทเหียดตั้งแหนกันก็จุกนั้น่งเยอะก็จุกนั้ แค่หญิงผูทเจ้าอเจ้าพอเ็กเาบแค่กระสุแค่เดียวเกิดมาเป็นต้นเสียสา่รถต้งเหยใจเลาีจหนาแล้วตีหลุดหลัทางัวาเป็นต้นตใจันตามตาลโมขนาดน่าตีใจนจะลดใจนี่อลดได้าใ่จะเข้าออนนอไปทนอนไปได้ น่องรักเหมือนสร้างจะได้น้องยิ่งดียิ่งเล่าจะได้น้องเป็นบาทเป็นยุ่งจะได้แล้วไปน่องไปทางไหเอาไปบอกเลยน่องมแม่แน้าตัดหใหเพามันเป็นำดำหือนม่อนโอนเทากันไม่ว่าแต่เจ้าดีเจ้าดีแล้วมันีอันยันกสมาว่าใหญ่ยนหมน่อรสมาว่าใหเป็นบ่อในะการท้มอนนี เันเหมือนกันสูกเขาไ่ได้ตัวเขาไ่ได้แล้วบลุเขานมันะเสริมนมนไอันนดามือือมไือราวนี้ตายตัวทายว่าว่าแต่เ่อียยานหละยโหิ่งว่าเขาปดอ ห้าดีภูเขาเท่านั้นต้องเกลี่ยเกลี่ตันงหามาแล้วจี๊้ข้าเงูเขาจี๊ี้นี่อาฆาจะจใจไขคงตีแย่หน้านี่ต้องเขาด้วยอ่างไรก็ได้ไอ้เจ๊ดเจ๊ดคว่ำมือเขาตัวเท่านั้นมัแต่วงหินยักคว่ำตวคว่ตัวอีกที่กันอย่าเลยคิดอย่ม่ล่อ มันในตอนนี้เก็บของนะนี้รถต้องเก็บของก็บของในกบของต้องมีไลน์้องลน์ท่านต้องพิจาาที่ส่วนมีามพิจารณาคนพิจารณาเด้วนทํานได้ต้องอูว่าพิจารณาพิจารณากาิเ่งๆไกเท่านั้น 看技术，我还以为是很简单，你放出来一年了，种树芽又嫩，它那点，就光树，光衰没，它没开发大作用呢。现在在内寨呢，我估计是开得，开得开。哦，就桂林这边呢，肯定光树哈。 แล้ความเขียนแม่ค e ิดใจว่าโมเขียนบนหนูโมหูชี้แต่ไม่ใช่่งหูี้ก็ลูกก็จำแม่นั่นแหละประสบพิเศษเนียนี่ประสบพิเศษเนี่ม่คิดใจุกชัวเองมันเคยต้องนด้วยงานยังไงแ่ถึิได้ถือเศษเกระดัที่เศษเต็มเหยียกค แม้แต่เด็กของวัยย่าเนี่ยตายด้วยเต้าอ่างน้นแล้วาคือกาเจาตะเอยู่แล้วิได้อี้เจยไปที่เดนจิไม่ขรถบเป่าวันใดขาเป็นยุ้ยยุ้ยูเป็นยุ้ยยุ ใจขาวใจหวานนี่คือคนใจน n ่คนเป็นเป็นง่เี่ัเ่อคิดว่าอ่านเนียมัเ่เองวก่งมนเ่นเหมือนเงินเงินหกมันต้องดิดแอ่ารใส่ซ้อมเสือเหมือนเนี่ยเสื้อเสื้ใอไแบ้นอนว้ามผ วัวโดนตายมากโอ้แ่บอกว่าอนแม่ทำไมสอนแม่ตายยมนตใน่นตาย่กตสน่กได้ ขมวหน่าองอันแกกลอมอันนี้น้ำโมเนนต์ต้นาพับเป็นเนีการยิ่งเนื่ยต้งมานยิ่ทพ้อแหนงเยช่างเลยแต่ยิ่งชิ้นแต่เชิด่ยิ่งพอน่าเชิดย่ยิ่งมากเลยแล้วก็เป็นอันได้หายหรือวมเนโมเทนโมหุ่นเป็นไปจากใจต้อใจข้อเฮ้า เป็นวัวเาวัวก็ไม่ใช่แค่ผู้ได้ตลาดมันผิดเ u ็นผิดที่เท่าี่เป็นผิด a ี k แต่งานงานก็เดิมความบริวารงานก็ไม่ใช่แค่ตอบจะ t อมเป็นสองนสามดีสุดง ไม่ได้ใจมันคยแคิดเยใจเ้าไวนหลายด็เา้าแงพวกน้อ่ะเขาตบก๊กแต่เรื่องบอ หมดตัวขึนไม่ได้หรอกั่นคอวเอาดิเาว่าแ่นอนาอย่นี้คนตนามีลนได้แเัะเ่งวรอยู่กสเตายือนแ่น ติดแม่เป็นมะเร็ n มะนาวข้เถ้าตัวบ้าน n g ่มก็ปล ok ูกนี os, ่หน่อยๆเมื่อปลูกจะห้องโตกระบอกดท่อมดีแล้วทีีะติดไปที่รัฐเห็นแล้วเป็นยันจะยันไปยันจะถทั้งเรือติดข้อในช่วที่ฟองของของพวกข้าใส่กันก โลตัาโลกระลาโลโลตีโลตัวเล็กเม็กลงไม่ไปโลโยกไปใจร้งเศราเนี่ยติดติดแล้วตเขาแว้งไปเส้นเส้นเส้นหลหง้งไม่รู้อยากเต็มตัวเตรียมนึ่งต้องเตรีหมสามล่ามต้องเตรียมหนึ่งต้องเตรียมพวกตัวม่งไปละ คว้านติดไปหลุมโยมแกะตอกคิดเันไปยังน่ะคือสมัยที่เรียกวาดุกท่นอบรมดุจยองเตาหม่อนนกออไปทั้งข้นใได้ใจแั้นเจอเนเป็นสิ่งเป็นข้องมีข้องเยนยังน่ะมองเห็นมาเห็นเงนเฉยเฉยนะ ทงตายอไปแล้วอาหากีมีน้หนุนร้เคี่ยวั้น้รสยแล้วตังข้ามันเลยผมเป็นไก่น้ำหมกาวโพดเลม้วนเือก็นะเห็นปลูก้นกต้นนัเนเลย เฉยๆง่งๆเกิดจากเพื่อนไปมีพีแน่าี่รักเิ่งไปเขินๆจะเทจังเลยกรณีรายหลังายใจนึกว่าเทาหยเทาไปได้จีนุ่ม่ล้หรอกจีวาเทาหมอน เรา ควายใหญ่ตัวแต่คุณมองเห็นแต่เป็ควายกูใหญเปล่นั่นเห็นไหมูข้ึ้นขันโดเปนรเป็นอะไรเนรเอไดด้วยอันเอะไรสุดรมป่าสนาของวเป็นเพินกหูเพิ่ม้ำตัม่อกัน สมเจ้าฝนะดับหรือยังมีวันนี้ท่านเลยฝนช้าตำในโว้กุโลกดีไม่ได้ดีก็ แล้การะลงกนีเน่ยนดก็าดูก็กาตลาดก็กนี้ันก็จะจับแล้วอาจจะเป็ายังไงอาจจะเป็นยัง การอินประสบความสำเร็จความดีคาสละความขความสบายของตัวคิดอล้มาพูดอินทำแบบพูอิไม่ใช่ที่ตายที่เดีวม่ใเ็นอนประโยชน์คิดสองคนคนได้ ยังเรียนยังมีการวันไหนเยี่ยนใหม่หรือเล่าควยไขวาต่างกนะทีนี้คนไปใั้เมือันเยียนใหญ่การเู่มื่สิขาสบาย ยื้อเท้ามาด่ายังสบายแต่เท้ายื้อเท้ามาด่าเราอย่างอื่นต่อมากครบทุกวันที่กรใจเท้ายื้อเดี๋ยวางเหมือนแมวมีจับยังแก่หัใจอยู่นะโมีเศษอะไรใสใจก็เชใจก็หน่อยเท่านั้น่ สอนสงาค่ำิต่อไปนั่นประโยชน์เป็นควรติดอออกไปแล้ายหราอย่า้วนาที่ทาดัววัวความจำเ็อยากห หอมมากแล้วก็ได้ามจำเป็นไม่กอยากว่าเนื้อสีอนเนี่ยใช่ไหมเราังรอดเป็นอะไรไอ้นั่นหอมมากอมมากดีหนาเป็นเหยียดจำเป็นนะแล้วถรามดาว่าหอมนะคะไรดี๋ยวกองก็เชียงเราเนี่ยคืออ่ัอาศัด้วยเยี่ยมมากนะว่าใช่บ เรื่องใช่ไม่ต้องไม่ต้องจำเสียงที่จะต้องอาศัยความเหงาหลายแบบี้ใชยิ่งนตัอย่แต่หลายเนี่ยแต่เป็นข้อที่ที่สามนะผมเข้าชื่อวิศว์ปุณก็น่ารับได้ข้อเหงาหลาย่จำเสียงม่ละคุยใชที่เาสื่อการจำเเพราะใจไม่ต้องต้องจึอาศัยข้อที่สามเอาไว้ คิดถึงความดีสินะควหลัง่างหเาว่าด่า้ามล่างินงภาวนาอยกจะคุงมคิดถึงใจเห็นความดีสีสางไรฉัน้มู่มมไดเก็บไเห็นโมขาเป่า เดี่ยวตัวเดียวตลอดเคลนได้ยิ้มหน้าร่ามใจอยู่ช่วยพ่อเต็มพ่อไหวแ่ๆแล้วก็เสริมหอยยิ่งเขาก็พวว่างไผ่เขาเ็กดือดฮะอยู่นเนี่ยท่านบาดหน้าเมื่อเขาบอวเ่านวาเขาบอกพวกมีคิใจนะเขาก็ได้เอาหัวัน่งที่ไลใส่ตามเดือย เขีนนั่งนะที่ลเ่งลงเือไปเรากาตใจตมาหูดหูดหายไม่ใช่บ่อกู่บูเนี่ยเนี่ยเาจเดไปขนาดนั้นนลงไหลไปด้ีามมันมีาตัวสสางไว้วมาตาสดการาโมกต่างไว้ด ไม่กินไม่ใจที่เขาว่าง <con> pues ูมามาเท่าที่เขาว่าถามว่าแย้งเเพราะเขาต้ต่างไปจำไม่นี้นั่นต้อต่อแสดงต่างที่นี่เขาก็มีด้วยกันกมีวัปรากฏไี่กินไม่ใจแต่นี่มีตีนตีนตีนแง่สายไปมีเขาควบตัว น้องต่างวัยแล้วนั่งเนี่ยพอตั้ใจปกติธรรมดาน้องใส่จิตอันใดมาตวกันตั้งนักบุญเนี่ยบุญสิบีบกัความัวนี้จนวมาก่มดีิายได้คนี้จนวมากความัวหยไปใจห่นเย็นนี่ยไอเดิมเย็นจอมเดี๋ยวปรเทศนในจิงูกมือแล้ว v ่อนี่ห่อนี่เียาายไปลูุดาบนยพาดัเย็นมาหลายตนงาุ่่นงเยกันนี่หนกนีหลายตัวไนะจะาไปหาไปเป็นเหนตอเาดแล้วกมี่อนี้จะมาก ลบล่างข้อมูลเกิดหายไปข้างขนอดีข้างคิดข้างใจชิงคิดชิงถอดพอชุดน้่วีมากก็นีห่ะทั้งข้อดีข้อหน่อยสน่ะบ้อมีน่ะอาจารย์ตัวไม